ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตราประพะบุพัสิกขาและบุพัสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาตรชนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในข้อที่หกชื่อว่าอาปติเทสนาดิปะพะ ว่าด้วยวิธีมีการแสดงอาบัตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงภิกษุแกล้งต้องแล้วย่อมเป็นอานาวีติกรรมันตลายิกะคือทำอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผลนิพพานเพราะโทษที่ล่วงอาจาของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นต้องแล้วส่วนอาบัตที่เป็นวุฒานคามินีพึงบอกเสียแก่พิกษุที่เป็นสภาฆะแล้วพึงออกเสียด้วยการอยู่ปฏิวาติและประพฤติมานัเถิด ส่วนอาบัติซึ่งเป็นเทศนาคามินีตั้งแต่ถุนลัดใจเมื่อต้องแล้วพึงแสดงเสียแก่สงหรือคณะหรือบุคคลแสดงแก่สงแสดงแก่คณะจักยกไว้จะ ก, กล่าวแต่แสดงแก่บุคคลภิสุผู้ต้องนั้นพึงเข้าไปหาภิสุรูปหนึ่งนั่งยองยกมือประนมทราบแก่กว่าคูรักพึงกล่าวว่า อะหังอาวุโตเอกังทุลัจจะยังอาปติงอาปันโนตังปติเดเสมิดังนี้ถ้าอ่อนกว่าผู้รับพึงกล่าวว่าอะหังพันเตเอกังทุลัจจะยังอาปะติงอาปนโนตังปติเดเสมิทั้งสองอย่างแปลว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอาบัตทุลัจใจตัวหนึ่งข้าพเจ้ากรับสแสดงอาบัตานั้นผู้รับอ่อนกว่า พึงกล่าวว่าปัสสะพันเตแปลว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเห็นอยู่แลหรือถ้าแก่กว่าก็พึงว่าปัสติอวุโสแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเห็นแลหรือผู้แสดงแก่กว่าก็พึงกล่าวว่าอามะอวุโสปัสสามิแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุครับผมข้าพเจ้าเห็นอยู่ละถ้าอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าอามะพันเตปัสสามิแปลว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญ ครับผมข้าพเจ้าเห็นอยู่ละผู้รับอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าอายติงพันเตสังวรยัตะแปลว่าข้าแต่ท่านทุจรเจนท่านทั้งหลายพึงสำรวมต่อไปเถิดถ้าแกกว่าก็พึงกล่าวว่าอายติงอาวุโสสังวรยัติแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีายุท่านพึงสำรวมต่อไปเถิดผู้สแสดงแกกว่าก็พึงกล่าวว่าสาทุสุตถุอาวุโสสังวริสามิถ้าอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าสาทุสุต ถ, ถุพันเตสังวริสามิ สองอย่างแปลว่าถ้าแต่ท่านผู้มีอายุหรือว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญดีละท้าปิจ่าจะสารวมด้วยดีถ้าอาบัตสองตัวก็พึงกล่าวตามตนแก่อ่อนนะว่าอาหารอาวุโสหรือว่าอาหารพันเตเดเวทุลจัยายโยอาปติโยอาปันโนตาปฏิเดเสนิอังนี้เมื่อผู้รับ ก, กล่าวตามอ่อนหรือว่าแก่ว่าปัสสะพันเตหรือว่าปัสสะสีอาวุโส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 ครั้งเดียวสองครั้งสาครั้งได้ถึงนั้นนะสาครั้งน่ะเป็นความนิยมกันถ้าอปัติสารตัวขึ้นไปก็พึงกล่าวว่าอาหังอาวุโสหรือว่าอาหังพันเตสัมปหุลาทุลัจยโยอาปาติโยอาปันโนตาปติเดเสมิต่อไปก็ว่าเหมือนเดิมก็คือปัสสีอาวุโสหรือว่าปัสสะอาวุโสอาจจติงอาวุโสเจริยาติอมาอาุโสหรือว่าอมาพันเตปัสสามิ อายติงพันเตหรือว่าอายติ่งอวโสสังวริยาสีสาธุสุตถูอวโสสังวริสามีหรือว่าสาธุสุตถูพันเตสังวริสามิาาก็ตามแก่หรือว่าตามอ่อนนั่นแหละถ้าอาบัติมีวัตถุต่างๆการก็พึงกล่าวว่าอะหังอาวุโสสัมบหุลานาน า, นาวัตถุกาโยทุลจัจยาโยอาปติโยอาปันโนตาปฏิเดเสมิหรือว่าถ้าอ่อนป่าก็อะหังพันเตสัมบหุลานาน า, นาวัตถุกาโย ทูลรัจยาโยอาปฏิโยอาปาโนตาปฏิเดเซมิก็ว่าเหมือนเดิมก็คือถามว่าปัสัสติอวุโสหรือว่าปัสสัพันเตหรือว่าปัสสิโอโสอามะอุโสปัสสานิหรือว่าอามะอะพันเตปัสสามิอาติงพันเตสงวรยาธาหรือว่าอาติงอุโสสังวรยาสีสาธุสุตุอวุโสสงวริสามิหรือว่าสาตุสุตุพันเตสงวริสามิข้อความก็เหมือนเดิมเวลาตอบรับ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 ถ้าสองตัวก็ให้ว่าเดเวถ้ามากแต่สามตัวขึ้นไปก็ให้ว่าสัมบหุลาถ้ามีวัตถุต่างๆกันก็ให้ว่าสัมบหุลานานาวัตถุกาโยดังนี้เถิดแต่อบับทุภาสิตไม่ต้องว่านานาวัตถุกาโยเพราะว่ามีอยู่สิกขาบทเดียวในสิกขาบทที่เป็นโอมาสวาบข้อด่าพิสุตวาดาพเพื่อเล่นก็ต้องอับทุภาสิตอบัาติเดชนิยะนั้นทําแสดงอยู่ในท้ายสิกขาบทนั่นเอง พึงรู้ดังกล่าวแล้วในปาติเดสนิยวันนานานั้นเธอก็แสดงคืนทั้งหาข้าเจ้าต้องอาบัตข้าพเจ้าไม่เป็นที่สบายควรจะแสดงคืนข้าพเจ้าขอแสดงคืนทงนั้นแต่นิสกิยปัจจิตยาบัตนั้นเมื่อต้องแล้วพึงสละของซึ่งเป็นนิสกีแกสงหรือว่าคณะหรือบุคคลจะก่อนแล้วจึงแสดงอาบัตนั้นเถิดเสียสละแกสงหรือว่าเสียสละแกคณะจกยกไว้จะกล่าวแต่เสียสละแกบุคคล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 อิดังเมอวุโสจิวะรังดัสสาหาติกันตังนิสักขียังอิมาหังอายสมตโตนิสัชามิดังนี้หรือจะถือเอาเนื้อความนั้นกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าแต่ท่านภูมิอายุหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าผืนนี้ของข้าเจ้าล่วงสิบวันแล้วเป็นนิ ส, ส, นนกนนสักีข้าเจ้าเสียสนาผ้านี้แก่ท่านภูมิอายุถ้าเป็นสงก็ข้าเจ้าเสียสนาผ้านี้แก่สงจะเป็นคณะก็เสียสนาแก่ท่านทั้งหลาย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 แล้วก็แสดงอบัตตว่าต้องคืนให้เจ้าของเดิมเขาถ้าผ้าสองเผืนหรือว่ามากเสร็จสระเป็นสามบาลีก็ว่าอิมานิเมอาวุโสหรือว่าอิมานิเมพันเตจิวรานิดาสาหาติกันตานินิสัคขิยานิอิมาาหังอายสัมโตนิสัชามิดังนี้บาลีคืนผ้าให้อุ ก, ก ว, ว่าอิมานิจิวราณิอายสมโตดามิดังนี้ ท่านเจ้าคืนค่าเหล่านี้ให้กัท่านถา้าผ้าผืนเดียวอยู่ในที่ไกลอยู่ไกลนอกคัฏฐบาตออกไปก็ว่าเอตังเมอวุโสหรือว่าเอตังเมพันเตจีวะรังเดาสาหาติด ก, กันตานิหรือว่าเดสาหาติกกันตังนะจะเป็นผืนเดียวจะหลายผืนก็เดสาหาติดกันตานินิสกิยานิเป็นเอตาหังอายสมัมโตนสัชามิจะอยู่นอกคัฏฐบาตดาัดงนี้ คืนผ้าให้เพราะว่าเอตังคีววังอายสมโตต ม, มิขับเจ้าเขาคืนผ่าผืนนั่นให้แต่ท่านหลายผืนก็เสียสละว่าเอตานิเมอาวุโสหรือว่าเอตานิเมพันเตจีวราณิเนสาฮาตาาิจันตานินิสกิยานิเอตานาหังอายสมโตนิสัชฌามิคืนผ้าให้เพราะว่าเอตานิคีววังอายสมัมโตตมิดังนี้ เพื่อรู้จักเนื้อความแห่งบาลีเหล่านั้นด้วยหรือจะถือเอาเนื้อความว่าด้วยภาษาไทยก็ได้อิมาณิจิวราณิแปลว่าผ้าทั้งหลายนี้เอตังจีวรังก็แปลว่าภาพหล่า น, นั้นเอตานิจิวราณิก็แปลว่าผ้าทั้งหลายเหล่านั้นถ้าไตราจีวรมสามผืนเป็นนิสสคีบาลีเสียสนะแปลว่าอิดังเมอาวุโสแต่ว่าอิดังเมพันเตจีวรังเอการติวิปปวุถังอัญญะตระพิกขุสังมติยานินสสกยัง อิมาหังอายสัมโตนิสัชามิแปลว่าถ้าตรจีวรของข้าพเจ้านี้อยู่ปราศจากแล้วราตรีหนึ่งเป็นนิสักคีเว้นจากภิกษุส ม, มุทข้าพเจ้าเสียสละผ้านี้แก่ท่านภูมิอายุและผืนเดียวก็ว่าอิดังเมอาวุโสจีวรังแก่กว่านี้นะก็ว่าอิดังเมพันเตจีวรังเอก ร, รัติงวิปปวุฒังอัญญตรางพิกุตสมะติยา นิสักียังอิมาหังอายสัมโตนิสัชามิสองผืนก็ว่าอิมานิเมอาวุโสหรือว่าพันเตจิวรานิข้ความละก็เหมือนกันนิสัชามิในผ้าสามผืนนี้ผืนใดผืนหนึ่งเป็นนิสักีจะกล่าวตามชื่อก็ได้ว่าอะยังเมพันเตสังคาติงเอกะรัติงวิปะวุทถาอัญยตระภิกุสัมติยานิสักียาอิมาหังอายสัมโตนิสัชามิ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 ถ้าเป็นบาตรล่วงสิบวันเป็นนิสสคีก็พึงเสียสนะว่าอายังเมอาวุโสหรือว่าอายังเมพันเตปัตโตดาสาหาติกันโตนิสสิโยอิมาหังอายัสมโตนิสัชามิแต่ว่าบาตรของข้าพเจ้านี้ล่วงสิบวันไปเป็นนิสสีข้าพเจ้าเสียสนะบาตรนี้แก่ท่านผู้มีอายุถ้าหลายไปก็ว่าอิเมแล้วก็เมพันเต ปัตตาดาตาหาติกันตานิสักิยาอิมาหังอายะสมะโตนิสัชามิดังนี้ถ้าเป็นของแลกเปลี่ยนกับเครื่อหัดเป็นนิสักีคุณเสียสนะว่าอาหารอาวุโสหรือว่าอาหารพันเตนานาประการกังกายวิกยัสมาปัจฉิงอิดังเมอวุโสหรือว่าอิดังเนพันเตนิสักียังอิมาหังอายะสมโตนิสัชามิดังนี้ แม้ของอื่นที่เป็นยิสกีก็พึงถือเอาบาลีนวิพังแห่งศิขาบทนั้นๆมาเสียสละตามของสิ่งเดียวและมากอยู่ใกล้และไกลเถิดแต่รูปิยะและของที่ซื้อมาด้วยรูปิยะและบา ท, ที่พิกจุมีบา ท, ที่ผูกห้าแห่งย่อนอยู่ขอมาแต่คนใช่ญาติขอมาแต่คนที่ไม่ใช่ญาติสามอย่างนี้พึงเสียสละแก่ถงอย่างเดียวถ้าสงสัยอยู่พึงบอกความสงสัยเสียก่อนแล้วจึงเสียสละ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 สงสัยแล้วก็เกิดไปแสดงเลยว่าตัวเองเป็นไมรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ย่นมันก็อาจจะมีส่วนทําให้เดือดร้อนใจเพราะว่าเข้าข่ายมุสษษาวาตแต่ว่าก็แสดงความสงสัยว่าไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็สงสัยก็แสดงความสงสยัสงสยก็ทําให้ไม่เป็นมุสาวาตอันหนึง่งในวันอุโบโสถหรือว่าในวันปวนารณาสงสัยอาบัติอยู่พึงบอกตามความสงสัยแต่ก่อนแล้วจึงทําอุโบสถหรือว่าทําปวารณา หรือว่าไปฟังปฏิโมกหรือว่าไปทปําปวารณาเนี่ยอย่าพึงทําอันตรายแก่อุโบสถหรือว่าปวนารณานั้นเพราะไม่แสดงอาบัตและนั่งนิ่งไว้เพิ่งเข้าไปหาพิจุรูปหนึ่งทาผ้าห่มชวแขกบาขั้นหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่าอาหอารอวุโสถหรือว่าอาหารพันเตเอกิศาทุลัจจะยายาปัติยาเวมติโกยะดานิเบมติโกภวิสามิ ยะดาตังอาปติงปฏิกริสามิแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหรือว่าข้าแต่ท่านผุ้มีอายุข้าพเจ้าสงสัยอยู่ในอบัตถุลัทธใจตัวหนึ่งคราวใดจะสิ้นสงสัยคราวนั้นจึงจักทำคืนอบัตถนั้นถ้าสองตัวก็ว่าอาหังเอาโสดหรือว่าอหังทันเตดวีตุทุลัจธยาตุอาปตีสุเวมติโกยะดานิเบมติโกภวิสามิร ด, ดาตาอาปติโย ปฏิกริษามิถลายตัวก็ว่าสัมบหุลาสุทุลจัจยาสุถ้ามีวัตถุต่างๆกันก็ว่าสามบาหุลาสุน า, นานาวัตถุกาสุทุลจัจยาสุในทุลจัยเหล่านั้นแม้อบัดอื่นก็ให้เปลี่ยนชื่อในบทว่าทุลจัยตามตัวเดียวและสองตัวและมากตัวและวัตถุต่างๆกันเถิดในอันทักัรตถกถากล่าวว่าถ้าไม่สิ้นความสงสัยเลย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 ถ้าเป็นวิการไซสก็ต้องปาจิตติยาบัตทั้งหลายเป็นอันมากดังนี้แล้วจึงแสดงว่าอาหางอาวุโสหรือว่าอาหางพันเตญ่าตัดสมิงวัตถุสมิงสัมบะหุลาทุ ก, กตาว่าตาจิตติยาว่าอาปาติโยอาปนโนตาปาิเดเสมิแปลว่าข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอาบัติอันใดเป็นทุกข์กอหรือปาจิตติมากหรือกันไม่แน่ใจทุกข์กอดหรือว่าอาบัติปาจิตติก็ไม่รู้เลย แต่แสดงแล้วล่ะว่ามันเป็นแน่นอนก็คือถ้ายังไม่เที่ยงนี่ก็ต้องอาบัตทุกอดหลาตัวเพราะว่าผื่นฉันไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเลยเที่ยงไปแล้วก็ต้องอาบัตตาจิตตีหลายตัวเพราะว่าฉันาหารในบวิการเพราะวัตถุนั้นข้าพเจ้าแสดงอาบัตทั้งหลายนั้นต่อไปผู้รับก็พึงกล่าวดังในก่อนนั้นเถิดก็คือท่านเห็นอาบัตนั้นหรือข้าพเจ้าเห็นอยู่ขอท่านจงรองสํารวมต่อไปดีละข้าพเจ้าจะระวังสํารวมต่อไป อันนี้ก็เป็นการปลดเรื่องนะทำให้ไม่ะวะพวงทำให้มีหิริอตปะปามีส ต, ติสัมชัญญะมีความละอายต่อบาปเพิ่มขึ้นก็จะได้ระวังสํารวมต่อไปในอาบัตทั้งปว ง, งนอกนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นอันหนึ่งที่สุแสดงหรือรักสภาคาบัตเป็นทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวสภาคาอาปติเดศเตาบาก็ความละปติก็ตตเหตตบาแปลว่า อาบัตเป็นสภาค่ากันก็คือเหมือนกันพิกษุอย่าพึงแสดงถ้าแสดงต้องทุกข์กฎอันหนึง่งอาบัตเป็นสภาฆ่ากันพิสูจอย่าพึงรับถ้ารับต้องทุกข์กดถ้าแสดงคนแสดงว่อาอบัตทุกข์กดถ้ารับคนรับว่าบัตทุกข์กดอีกแต่ว่ารับกับแสดงนี่มันอาบัตคนละอันกันนะเพราะนั้นเจ้าแสดงคืนอีกทีหนึ่งก็หายเหมือนกันพิสูจนสองรูปต้องอาบัติด้วยวัตถุเป็นสภาคะคือเรื่องเดียวกันเป็นต้นว่าฉันอาหารในเวลาวิการด้วยกัน อาบัติที่เป็นวัตถุสภาคะกันเช่นนี้แลเรียกว่าสภาคาบัตดจะแสดงและรับกันไม่ควรแต่ผู้ต้องอาบัตเพราะฉันในเวลาวิการจะแสดงในสำนักแห่งพิสูผู้ต้องอาบัตเพราะฉันอนัติริฏฐโพชนะก็คืออาหารที่ไม่ได้เป็นเดนห้าพัดและพิชชนอาหารที่ได้เป็นเดนนี้ต้องอาบัติภะจิตีอย่างนี้แสดงกันได้ควรอยู่ก็แต่แม้อาบัตอันใดที่เป็นวัตถุสภาคะกันแม้อาบัตินั้นแสดงเข้าแล้ว ก็เป็นการแสดงด้วยดีแท้แต่ผู้แสดงก็กลับต้องทุกกดอื่นเพราะแสดงผู้รับ ก, ก็ต้องทุกกดอื่นเพราะรับอาบัตินั้นชื่อว่าวัตถุต่างๆกันไปเพราะเหตุนั้นจะกลับแสดงแก่กันและกันอีกก็ควรก็ควรแต่ว่าให้รู้นะว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วยังขืนไปแสดงอีกเป็นอาัชีแปลงต้องอาบัตเป็นอาชชีก็ไม่มีอย่างอายนะไม่ควร แต่ว่าถ้าเผลอไปไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเป็นแสดงสภาอาบัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันแสดงแต่ว่าต้องอาบัตทุกกฎตัวหนึง่งอันหนึ่งเมื่อฟังปาทิโมกหรือปวรนาอยู่ระลึกอาบัตได้ก็พึงบอกกับพิจุที่อยู่ใกล้ตามชื่ออาบัตว่าอะหังอาวุโสหรือว่าอะหังพันเตเอกังทุ ล, ลจจะยังอาปัติงอาปันโนอิโตวุฒาหิตวาตั้งอาปัติงปฏิกริษามิแปลว่า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 พึงผูกใจว่าเราลุกไปจากที่นี้จัดแสดงเสียแล้วทําอุโบสถหรือว่าทำภาวนาไปเถิดถ้าสงสัยอยู่เราไซก็พึงบอกแก่ทิศุที่นั่งใกล้ตามความสงสัยดังก่อนนั้นเถิดถ้าในอาวาสอันหนึ่งในวันอุโบสถหรือว่าวันปารณาก็ตามสงทั้งปวงต่องสถาคาบัตรด้วยกันทั้งหมดพึงส่งทิศุรูปหนึ่งไปในอาวาสใกล้ในวันนั้นว่าท่านจงไปแสดงอาบัติมาเราจะแสดงอาบัตในสำนักของท่าน ถ้าได้ดังนี้เป็นความดีถ้าไม่ได้ใจให้พิษุผู้ฉลาดพึงสวดประกาศใน้่ามกลางสงว่าสุ ม, มาตุมเมพันเตสังโฆ อ, อายังสับโบสังโคสถภาคังอาปัติงอาปนโนยนดานยังทิคุงสุดทางอนาปติกังปสิตสติตะ ด, ดาตัสสาสันติเกตังอาปัติปิปัติเกริ ส, สติ ดังนี้แล้วก็ทาอุโบสถหรือว่าทำตวรณาเถิดถ้าสงสัยอยู่ก็พึงสวนประกาศในสงว่าสุ ม, มาโตเมผัณเตสังโฆอะยังสัพโโ y สังโฆสภะขายาปฏิยาเวมาติโกย a ดานิเบม i ติโกภเวตเตติต ด, ดาตังอาปฏิเกริสติดังนี้แล้วก็ทาอุโบสถหรือว่าทาตวรณาเถิด ถ้าในที่สูเหล่านั้นเธอองค์หนึ่งสําคัญว่าแสดงสภาสาบานนั้นควรถ้าเกิดมีคนที่เข้าใจอย่างนี้นนะาแสดงสภาสาบานนั้นอะควรและแสดงในสํานักที่สู่อีกรูปหนึ่งไซสแสดงแล้วก็ชื่อว่าเป็นอันแสดงด้วยดีแท้เธอทั้งสองนั้นก็ต้องอาบัตต่างวัตถุ ก, กันไปคือที่สูที่รับก็ต้องเพราะรับที่สูที่แสดงก็ต้องเพระแสดงทุกกฎนั่งกล่าวแล้วก่อนเพราะเหตุนั้นพึงกลับแสดงแก่กันและการเสียอีกด้วยเท่านั้น เธอทั้งสองก็เป็นผู้ไม่มีอาบัตพิสุทธิ์ทั้งหลายอันเศษก็คือพิสุทที่เหลือเนี่ยพึงแสดงหรือว่าบอกสภาคาบัตในสำนักเธอทั้งสองนั้นเถิดพิสุต้องอาบัตอยู่ฟังปาติโมกหรือทรํราปวรณาต้องทุ ก, กข์กดในกุทกะสิกขากล่าวว่าตาราชิสังคธิเศษเป็นอัเทศนาคาไมนีก็คืออยาแสดงแสดงไม่ได้เป็นอาบัตที่แสดงไม่ได้และอยาแสดงอนาบัต ถ้าไม่เป็นอบัตก็อย่าไปแสดงไม่เป็นอบัตไปแสดงทํำไมโดยแสดงตามประเพณีก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์แสดงอนาบัตนี่ก็มูสาด้วยก็ถามว่าท่านเห็นอบัตหรือบอกว่าครับปัสสตว์เสียวุโสเนี่ยอามาพันเตเห็นอยู่ไม่ได้มีอบัตสักหน่อยนึงเดี๋ยวเีาจะไปเข้าข่ายมกสาว่าอีและอบัตที่แสดงแล้วก็อย่าแสดงอีกก็เป็นอบัตไปแล้วแสดงไปแล้วก็ไม่ต้องมาแสดงอีก และอย่าแสดงแก่ทิฏฐิที่เป็นนานาสังวาสซึ่งนานาสังวาสก็จะมีสองอย่างนานาสังว า, เ า, รร า, าสวาเพราะกรรมกับนานาสังวาสเพราะลัทธินานาสังวาสเพราะกรรมกับเพราะว่าถูกยกวัดก็คืออุเคปนิยกรรมเพราะว่าไม่แสดงคืนอาบัติไม่เห็นอาบัติแล้วก็ไม่สนับพิถีเชั่วช้าไม่สาธิติคืนถูกลงอุเคปนิยกรรมอันนี้เรียกว่านานาสังวาสก็ห้ามไปแสดงอาบัติด้วยแล้วก็ทิฏฐิที่ประพฤต์ตามทิฏฐิที่ถูกยกวัดนั้นก็เป็นนานาสังวาสเพราะลัทธิ ก็ไม่ควรไปแสดงอาบัตด้วยและอย่าแสดงแก่ผู้ที่ตั้งอยู่นอกสีมาอย่าแสดงกับผู้ที่อยู่นอกสีมาสีห้ารูปจะไปแสดงเพียงแต่สีห้ารูปเลยอย่าแสดงในสํานักสิตรูปเดียวพร้อมกันไปแสดงกับพิสูรรูปเดแต่แสดงพร้อมๆกันนี้ก็ไม่ควรอย่าแสดงด้วยใจอย่างเดียวไม่ทำวิีเพศแสดงในใจอย่างเดียวอาบัตไมด่ดุพึงแสดงในสํานักสิตรูซึ่งเป็นปกตจั ผู้ไม่ต้องอันติมวัตถุก็คือไม่ต้องภาราชิกหรือสงไม่ได้ยกวัดหรือสงไม่ได้ยกอุโบสถและปรณาแก่เธอคือไม่ได้ห้ามอุโบสถไม่ได้ห้ามปรณาท่านแสดงอั บ, บัทแต่ท่านได้เธอเหล่านั้นชื่อว่าเป็นปกตัิคือพิสูปกติอันหนึ่งอัตบต่างๆอย่าแสดงเป็นตัวเดียวก็คือถ้าเป็นอัปบาทหลายตัวอย่าไปแสดงตัวเดียวนะว่าพําเจ้าต้องอัปบาทตัวหนึ่งอันนี้แสดงว่าอาัปบาทอื่นๆก็ไม่หลุดแต่ถ้าเป็นอัปบาทตัวเดียวแสดงสัมภูลานี่หุด แสดงว่าเป็นอบัตมากเนี่ยหลดุดชื่อว่าแสด ง, งด้วยดีต้องปาราชิกแล้วปัจจิญญาตนตามเป็นจริงมละเพศที่ตุเสียชื่อว่าแสดงปาราชิกบางที่ก็แสดงว่าอวบัตปาราชิกนี่เป็นเทวนาคามินีด้วยก็คือเมื่อต้องแล้วก็ไปบอกว่าข้าพเจ้าเป็นปาราชิกแล้วละเพศไปอันนี้ก็ทําให้บริสุทธิ์สามารถประพฤติธรรมจรนท์สามารถบรรลุมรรคผลก็ได้นะอันมีตัวอย่างได้บรรลุเป็นพระสกาชาคามีพระสวดดับบันก็มี ในอักขี่ขันธูปประมาะตูดท่านเป็นพระราชิกแล้วก็ไปเป็นข้าหัดจำเพนตราสิกขาทําให้บรรลุเป็นพระเยียบุคุณมีแสดงในอธิคถาอัชร า, า, า, าสังฆาตระตูดในเอกนิบาต ท, ทุ ก, กนิบาตในอังคุจตรญิกายว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสัจฐานคติก็มีเทสนากถาก็จบวันนี้ก็สมควรกับเวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ศรัทธาในการที่จะฝึกอบรมกายวาจาด้วยการ ศึกษาในอธทิเสลติกขาเพื่อเกือ้อกูลแก่อธิจิตติกขาและอธิปัญญาสิกขาก็จะได้เจริญด้วยอินทรีห้าเพราว่าอธิเสลสิกขานะั้นเป็นการประกาศสตินรียเมื่อมีศสตินรียแล้วเพิ่มพูนวิริยะก็ทําให้เป็นวิรยินรียทําให้สติมั่นคงมากขึ้นคนมีศีลดีนี้ก็ทําให้สติมั่นคงมากขึ้นสตินรียก็เจริญเมื่อมีวิริยะมีสติก็ทําให้สมาธิซึ่งเป็นสมาธินรีก็ตั้งมั่นขึ้นด้วยเพราะว่า คนที่ไม่เดือดร้อนไม่มีวิปฏิสานก็คือเป็นอวิปฏิสารก็จะทำให้มีปราโมทปีติมีปัสสัททิมีความสุขก็ทำให้เกิดสมาธิก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาซึ่งเป็นปัญญีสี่ขก็ขอให้ปัญรีห้าประชุมพร้อมกันในจิตใจของท่านเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลโดยการไม่เนนชานี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ